คสุขของช่างตีดาบนานมาแล้วณหมู่บ้านท่ามะขามแห่งเมืองกาญจนบุรีมีช่างตีดาบหนุ่มใหญ่คนหนึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาอันมีพ่อแม่ภรรยาและลูกเล็กๆอีกสามคนช่างตีดาบผู้นี้มีฝีมือตีดาบเป็นที่เลื่องลือไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงนอกจากนั้นเขายังเป็นคนดี ขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริตมากช่างตีดาบรักงานตีดาบของเขามากความรักในอาชีพกอบกับความขยันทําให้ช่างตีดาบสามารถทํางานตั้งแต่เช้าจรดค่ําได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในภายหลังเขายังรับจ้างตีมีดและรับมีดทั้งเล็กใหญ่รวมไปถึงงานฝีมือต่างๆที่เป็นเหล็กทั้งหมดอีกด้วย ดังนั้นช่างตีดาบจึงสามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของตนได้อย่างเพียงพอไม่ขัดสนในครั้งหนึ่งมีเท่าพเนจรคนหนึ่งเดินทางมาหาช่างตีดาบเพื่อว่าจ้างให้ทำมีดพกคุณภาพเยี่ยมให้แก่เขาแต่เมื่อช่างตีดาบทำงานสำเร็จแล้วชายชรากลับไม่มีเงินจ่ายเป็นค่าจ้าง แต่ทว่าเขาได้เอาพระพุทธรูปสีนินอง์งามออกมาจากย่ามเก่าๆของตนแล้วยื่นให้ช่างตีดาบเป็นค่าตอบแทนทุกวันนี้พระพุทธรูปสีนินกลายเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านของช่างตีดาบไปแล้วเขานําพระพุทธรูปขึ้นหิ้งและหามาลัยดอกไม้สวยงามมา บ, บูชาอีกทั้งยังสอนลูกๆให้กราบไหว้สวดมนต์พระพุทธรูปจนเด็กๆติดเป็นนิสัย และถือเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันช่างตีดาบพอใจในความเป็นอยู่ที่แสนสุขสงบของตนและครอบครัวอยู่เรื่อยมามจนกระทั่งวันหนึ่งทางการได้มีประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าเจ้าเมืองกาญจนบุรีจะเดินทางมาเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านท่ามะขามขอให้ชาวบ้านทุกคนออกมารอต้อนรับท่านเจ้าเมืองที่หน้าบ้านของตน หากใครมีเรื่องเดือดร้อนอันใดก็สามารถร้องทุกข์แก่ท่านได้ทันทีวันรุ่งขึ้นครอบครัวของช่างตีดาบได้ออกมานั่งรอต้อนรับเจ้าเมืองกาญจนบุรีอยู่หน้าบ้านตามที่ทางการสั่งช่างตีดาบเพียงแต่ต้องการชื่นชมบารมีของท่านเจ้าเมืองเท่านั้นไม่ได้คิดที่จะร้องทุกข์ดังเช่นชาวบ้านคนอื่นๆที่เตรียมเรื่องร้อนเรียนมาม า, มากมายเพราะเขาคิดว่า ตนเองไม่มีสิ่งเดือดร้อนอันใดที่จะทำให้เกิดทุกข์ได้เลยในตอนนี้ท่านท่านเจ้าเมืองมานั่นแล้วลูกชายคนโตของช่างตีดาบร้องอย่างตื่นเต้นเมื่อขบวนของเจ้าเมืองกาญจนบุรีกำลังจะมาถึงหน้าบ้านและเมื่อช่างตีดาบมองเข้าไปในขบวนเขาก็รู้ได้ทันทีว่าใครคือเจ้าเมืองโอ้นี่หรือคือท่านเจ้าเมืองช่างดูมากด้วยบุญบารมีอะไรเช่นนี้ ดูเสื้อผ้าอาพรที่ท่านสวมใส่สิช่างหรูหรามีราคาเหลือเกินดูม้าที่ท่านนั่งมาสิช่างงามสงา่าราวกับม้าของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ปานช่างตีดาบแอบนิยมชมชื่นอยู่ในใจท่านเจ้าเมืองซึ่งนั่งอย่างสง่างามอยู่บนหลังมา้าที่กำลังก้าวเหาะเหะมองมาที่ช่างตีดาบแล้วถามว่าเมื่อสักครู่ข้าสังเกตเห็นเจ้าชเง้อคอมาแต่ไกล มีเรื่องเดือดร้อนอันใดต้องการให้ข้าช่วยอย่างนั้นหรือช่างตีดาบรี บ, บอกว่าเขาเพียงแต่ตื่นเต้นที่จะได้พบท่านเจ้าเมืองเท่านั้นหาได้มีเรื่องเดือดร้อนอันใดมากล่าวร้องทุกไม้ท่านเจ้าเมืองจึงเคลื่อนขบวนออกจากบ้านช่างตีดาบเพื่อเยี่ยมชาวบ้านคนอื่นๆต่อไปคืนนั้นช่างตีดาบพำคิดถึงแต่ความสงา่าหน้าเกงขามของเจ้าเมืองกาญจนบุรีจนนอนไม่หลับ ท่านเจ้าเมืองช่างมีชีวิตที่หรูหราสะดวกสบายหน้าอิจฉา ย, ยิ่งนักนอกจากจะเป็นเจ้านายของผู้คนถึงส0หมู่บ้านแล้วยังร่ำรวยมั่งมีเงินทองมากพอที่จะซื้อเหมืองได้ทั้งเหมืองชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความสุขสมราญโดยที่ไม่ต้องลำบากทำงานมากมายอะไรเลยแต่ดูตัวเราสิต้องทำงานหนักทั้งเผาเหล็ก ตีดาบต้องยืนอยู่หน้าเตาไฟที่ร้อนดั่งไฟนรกทั้งวันทั้งคืนเราสู้ทนถึงเพียงนี้เหตุใดเทวดามไม่เมตตามอบความมั่งคัง่งสะดวกสบายมาสู่ชีวิตเราบ้างช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยช่างตีดาบเพราแต่คิดเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาและในตอนนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นพระพุทธรูปสีนินบนหิ้งพระ ช่างตีดาบจึงลงไปนั่งกับพื้นเบื้องหน้าพระพุทธรูปพร้อมกับพนมมือแล้วกล่าวว่าพระพุทธองค์ของลูกพระองค์คือบิดาผู้ทรงอํานาจของลูกคือมารดาผู้มอบความรักให้แก่ลูกแต่ยายเล่าเมื่อพระองค์ทรงเห็นลูกทํางานหนักตั้งแต่เช้ายันค่ําทุกวันนี้เหตุใดจึงไม่ทรงเมตตาสงสารลูกบ้างดูชีวิตความเป็นอยู่ของลูกทุกวันนี้สิพระองค์คิดว่า สมควรกับความเพียรพยายามของลูกแล้วหรือไม่ลูกอยากได้บ้านหลังใหญ่โตโออาอยากได้ที่นาผืนใหญ่ไว้ปลูกข้าวอยากได้เงินทองมากมายมาซื้อสิ่งของดีๆให้แก่ทุกคนในครอบครัวของลูกหากพระพุทธองค์จะทรงมีความเมตตาให้แก่ลูกบ้างก็ขอได้ทรงโปรดมอบสิ่งเหล่านี้มาสู่ลูกด้วยเถิดเมื่อกล่าวค on ําอ้อนวอนจบ ช้างตีดาบก็แลเห็นประหนึ่งว่าพระพุทธรูปกําลังส่งยิ้มจางๆให้แก่เขาเราเชื่อว่าพระพุทธองค์ต้องทรงเห็นแก่ความดีที่สั่งสมมานานของเราและช่วยเหลือเราเป็นแม่แต่ทําไมนะทําไมพระองค์จึงทรงยิ้มให้เราเช่นนั้นหรือว่าเราจะขอพระองค์มากเกินไปช้างตีดาบรำพึงรำพันกับตัวเองทันใดนั้นเอง หลังจากช่างตีดาบเข้านอนแล้วพระพุทธรูปสีนินก็ได้ไปเข้าฝันเจ้าเมืองการจนบุรีแล้วกล่าวว่าฟังเถิดนาะเจ้าเมืองการจนบุรีช่างตีดาบมากฝีมือที่บ้านท่ามขามซึ่งท่านไปแวะพูดคุยกับเขาในวันนี้เป็นผู้ที่เราให้ความเมตตายิ่งเราอยากให้ท่านช่วยสร้างบ้านหลังใหญ่ให้เขา ยกที่ดินให้เขาห้าไร่และมอบเหรียญทองคําไหนึ่งแก่เขาแล้วเราจะอวยพรให้ท่านประสบแต่สิ่งดีงามตลอดไปรุ่งขึ้นเจ้าเมืองกาญจนบุรีรีบทำตามคําขอของพระพุทธ ร, รูปที่มาเข้าฝันทันทีเมื่อช่างตีดาบเห็นสิ่งที่ท่านเจ้าเมืองนำมาให้นั้นก็เกิดความปรีเปรมเกษมสรรสุจะกล่าว เขาคิดว่าทั้งหมดนี้คือของขวัญจากอำนาจแห่งพระพุทธองค์ที่ตนเองควรได้รับมานานแล้วนับจากนี้ไปช่างตีดาบคาดว่าชีวิตของเขาจะต้องมีแต่ความสุขและไม่ต้องพบกับความเหนื่อยยากใดๆอีกต่อไปเรื่องก็น่าจะลงเอยด้วยดียดเช่นนั้นหากญาติพี่น้องทั้งไกลและใกล้ที่ทราบข่าวไม่พากันแห่แหนมาที่บ้านของช่างตีดาบเพื่อขออาศัยอยู่ด้วย แต่ช่างตีดาบผู้มีน้ำใจก็ยินดีต้อนรับขับสู้และจัดแบ่งบ้านให้แต่ละครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสัสดส่วนเท่าที่จะทำได้แต่คนเหล่านี้ต่างมาด้วยใจไม่บริสุทธิ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเห็นว่าญาติคนไหนดูเหมือนจะได้รับสิทธิ์อะไรมากกว่าคนอื่นแม้เพียงเล็กน้อยก็จะพากันประท้วงเพื่อขอในสิ่งนั้นบ้างจนกระทั่งทั้งบ้านมีแต่เสียงทะเลาะทุ้มเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายทุกวี่วัน ช่างตีดาบเริ่มคิดว่าญาติพี่น้องที่มีนิสัยเช่นนี้ต่างก็ไม่น่าไว้วางใจจึงนำหาหยใส่ทองไปฝังไว้ตรงไปนาะแต่การกระทําเช่นนั้นก็ทำให้เขาห่วงสมบัติมากขึ้นกลัวว่าจะมีขโมยมาขุดเอาไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวช่างตีดาบจึงไม่เคยนอนหลับสนิทอีกเลยเรื่องยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อญาติญาติที่พากันมาขออาศัยอยู่ด้วย หวังพึ่งสมบัติของช่างตีดาบมากเกินไปและมูเสียเวลากับการทะเลาะวิวาทแทนที่จะออกไปช่วยกันทำไร่ไถานาดังนั้นข้าวที่เก็บเกี่ยวมาได้จึงไม่เพียงพอกับปากท้องของคนในบ้านมิดนำซ้ำเมื่อเกิดภัยแล้งขึ้นในปีนั้นครอบครัวของช่างตีดาบก็ไม่มีข้าวเหลือไว้กินในหน้าแล้งเลยถึงจะมีเงินทองมากมายแต่ก็เอาไปซื้อข้าวจากใครไม่ได้ทอนในหน้าแล้ง ทุกครัวเรือนต่างก็มีข้าวไม่พอกินดังนั้นจึงไม่มีใครยอมขายข้าวของตนเองให้แก่คนอื่นด้วยเหตุนี้ช่างตีดาบจึงไม่มีความสุขเหมือนดังแต่ก่อนความเบิกบานที่เคยลุกโชดช่วงอยู่ในใจก็ดับมอดลงอีกทางร่างกายก็พลอยอ่อนแอตามความสุขที่ดับสูญไปด้วยในที่สุด ช่างตีดาบจึงตัดสินใจเดินทางไปพบเจ้าเมืองกาญจนบุรีในวันหนึ่งเพื่อคืนสมบัติที่ได้รับมาทั้งหมดแก่ท่านเจ้าเมืองโอ้ช่างตีดาบแห่งบ้านท่ามะขามนี่ยังไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ำเจ้าก็เอาของเหล่านั้นมาบอกคืนแก่ข้าเสียแล้วเพราะอะไรกันเล่าเจ้าเมืองกาญจนบุรีถามอย่างประหลาดใจกาบเรียนท่านเจ้าเมืองข้าน้อยรู้ซึงแล้วว่า สิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราโดยแท้และไม่เหมาะสมกับตัวเราแม้จะเป็นสิ่งที่มากคุณค่าเพียงไรก็หาได้นาความสุขมาสู่เราอย่างแท้จริงไม่ชั้งตีดาบต่อแต่นั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ประสงค์จะมอบให้แก่เจ้านะเจ้าเมืองกาญจน บ, บุรีบอกกับช่างตีดาบเรียนท่านเจ้าเมืองในวันที่ข้าน้อยขอสิ่งต่างๆมากมายจากพระพุทธองค์นั้น ข้าน้อยแลเห็นเสมือนพระองค์ท่านยิ้มให้ข้าน้อยในเวลานั้นข้าน้อยไม่เข้าใจแต่บัดนี้ข้าน้อยเข้าใจรอยยิ้มนั้นอย่างแจ่มแจ้งแล้วทั้งบ้านทรัพย์สมบัติและที่ดินมากมายที่ข้าน้อยร้องขอพระองค์ไปนั้นไม่ได้ทำให้ข้าน้อยมีความสุขอย่างที่เคยเข้าใจในตอนแรกเลย ตรงกันข้ามสมบัตินอกกายเหล่านั้นกับสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างยิ่งยวดให้แก่ข้าน้อยและครอบครัวข้าน้อยไม่รู้สึกยินดีอะไรกับสิ่งเหล่านั้นอย่างที่ควรจะเป็นข้าน้อยนอนหลับไม่สนิทตั้งแต่มีสมบัติมากมายให้ต้องดูแลซ้ ส, สุขภาพยังเสื่อมโทรมยิ่งกว่าตอนที่ทำงานตีเหล็กหามรุ่งหามค่าสุดท้ายชีวิตของข้าน้อยก็หาความสุขใดๆไม่ได้ แต่ด้วยความเขาทำให้ข้าน้อยไม่เคยเห็นสัจธรรมอันสำคัญนี้ในขณะที่พระพุทธองค์ผู้ทรงมีสติปัญญาล้ำเลิศทรงทราบดีว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตข้าน้อยเป็นเช่นนี้ดังนั้นพระองค์จึงยิ้มให้กับความไม่รู้จักตนเองของข้าน้อยอย่างไรเล่าเจ้าเมืองกาญจนบุรีฟังคำตอบของช่างตีดาบด้วยความสนใจแล้วถามต่อว่า ถ้าอย่างนั้นเจ้าคิดว่าจะทําเช่นไรกับชีวิตของตนเองต่อไปเล่าช่างตีดาบแห่งบ้านท่ามะขามข้าน้อยจะกลับไปใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับตนเองหากแม้นพระพุทธองค์ทรงให้โอกาสแก่ข้าน้อยอีกครั้งข้าน้อยก็บังอาจที่จะขอรับการอภัยจากพระองค์ในเรื่องที่ข้าน้อยเห็นแก่ตัวและโลกมากอย่างน่ารังเกียจ ข้าน้อยต้องการชีวิตแบบช่างตีดาบอย่างเดิมคืนมาข้าน้อยอยากร้องของานหนักจากพระองค์ข้าน้อยอยากรับใช้พี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยการเผาเหล็กและตีดาบให้แก่พวกเขาเช่นเดิมข้าน้อยจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความสุจริตและเชื่อมัน่นศรัทธาในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองเท่านี้เองที่ข้าน้อยต้องการในตอนนี้ชีวิตของช่างตีดาบแห่งบ้านท่ามะขาม คือชีวิตที่เป็นสุขที่สุดแล้วสำหรับตัวข้าน้อยส่วนเรื่องอื่นๆนั้นข้าน้อยไม่ขอไขว่คว้าให้เกินตนเองขอให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องที่สุดแล้วแต่ผลบุญผลกรรมที่ข้าน้อยได้กระทําเธอเพราะข้าน้อยเชื่อว่าพระพุทธองค์ย่อมทรงรู้ดีที่สุดว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับอะไรเจ้าเมืองกาญจนบุรี ฟังช่างตีดาบกล่าวแล้วก็รู้สึกชื่นชมในตัวเขามากขึ้นดังนั้นท่านเจ้าเมืองจึงกล่าวแก่ช่างตีดาบเป็นการทิ้งท้ายว่าข้าชื่นชมในความคิดอ่านของท่านยิ่งนักข้าเชื่อมั่นว่าท่านจะต้องได้รับความสุขสมหวังในชีวิตของท่านเป็นแน่เพราะท่านได้ทำในสิ่งที่ท่านรักและคู่ควรกับท่านแล้วจริงๆหลังจากนั้นช่างตีดาบก็ ลาเจ้าเมืองกาญจนบุรีกลับไปบ้านท่ามะขามและกลับมาใช้ชีวิตเป็นช่างตีดาบแห่งบ้านท่ามะขามอย่างเดิมและดูเหมือนว่าพระพุทธองค์จะทรงเมตตาช่างตีดาบและอวยพรให้ ตามคำขอของเขาอีกครั้งเพราะช่างตีดาบมีงานเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานตีดาบมากมายที่ส่งมาจากเมืองกาญจนบุรีอันเป็นคำสั่งโดยตรงจากท่านเจ้าเมืองเลยทีเดียว mm hmm. เธอทั้งหลาย mm hmm. เป็นความจริงที่ว่าคนเราทุกคนเกิดมาบนพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันและมีเส้นทางการดาเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ความต่างนี้เองที่ทำให้มนุษย์ทุกคนมีหน้าที่เป็นของตนเองไม่มีใครเหมือนกับใครที่เป็นเช่นนี้เพราะธรรมชาติต้องการให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างเพื่อให้ทุกคนกระทาหน้าที่ของตนเองไปตามความเหมาะสมเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์ถ้าเธอมีความถนัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากมายและเธอก็รักที่จะทาสิ่งนั้นอย่าทอดทิ้งมันไป เพียงเพราะเธอเห็นว่ามันไม่โกรูหรือสร้างเกียรติยศจอมปลอมให้แก่เธอได้มากพอเพราะสิ่งที่เธอทอดทิ้งไปนั้นเรียกว่าพรสวรรค์และใช้ว่าทุกคนจะมีเหมือนเธอถ้าเธอมีพรสวรรค์แสดงว่าเธอคือคนพิเศษที่ได้รับเลือกจงภาคภูมิใจในตนเองและทำสิ่งที่เธอรักและถนัดให้ดีสุดท้ายเกียรติยศและความสุข จะเดินมาหาเธอเองโดยที่ไม่ต้องขวนขวายขวาคว้าจนเกินตัวแต่หากเธอคือคนที่ยังค้นหาพรสวรรค์ของตนเองไม่เจอเธอก็จงเพียรศึกษาเพื่อค้นพบพรแสวงจงช่วยตัวเองให้ได้มากพอก่อนจะขอรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะเธอย่อมรู้จักตนเองดีกว่าใครว่าตัวเธอต้องการอะไรไมิใช่หรือท้ายที่สุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเปรียบเหมือนผลบุญที่เราได้กระทำหากเราทำดีเราก็ย่อมจะได้รับแต่สิ่งดีและชีวิตก็จะเป็นสุขแต่หากเราทาชั่วเราก็จะได้รับความทุกข์ชีวิตไม่เป็นสุขเพราะไร้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลช่วยเหลือเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือปูชนียวัตถุ จะยินดีเมื่อเราพูดกับท่านด้วยความศรัทธาและความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะฟังเราถึงแม้ว่าเราจะสวดมนต์อ้อนวอนขอความช่วยเหลือเพียงในใจแต่พึงระลึกทัดว่าเราต้องอธิษฐานต่อท่านด้วยความสุจริตใจและต้องอ้อนวอนขอแต่ในสิ่งที่สมควรแก่ตัวเรามิฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจไม่พอใจที่ตัวเราเองเอาแต่ร้องขอ โดยที่ไม่เคยคิดใช้สองมือที่มีอยู่สร้างตนเองให้ดีขึ้นแต่อย่างใดเมื่อเป็นเช่นนี้นอกจากท่านจะไม่อยากรับฟังเราแล้วอาจสั่งสอนเราด้วยการมอบความทุกข์ให้เราเกิดสำนึกตนขึ้นมาบ้างก็เป็นได้